พระนคขมานั้นจึงมีการออกจากวัตถุกรามออกจากความมีโชคเป็นลักษณะมีการประกาศโทษของกามทั้งหลายนั้นเป็นลักษณะ <S <S โทษของกามเป็นยังไงที่ว่าประกาศโทษของกรามแล้วกรมทั้งหลายมีโทษอย่างไร <S <S ก็บอกว่ากรมทั้งหลายมีมีรสอร่อยน้อยมีโทษมากโทษอื่นหรือว่าทุกข์อื่นยิ่งกว่กากรรมทั้งหลายไม่มีเหมือนอะไรเหมือนกับบอกว่าเคียงสับเนื้อก็ เ, เห็นไหมเวลา ตอนที่สับนี่มันสับเนื้อก็จริงแต่ไอ้ความแรงของสับมันไปถูกอะไรเขียงบาดเขียงไปด้วยเขาบอกว่าไอ้วัตถุ ก, กรารมทั้งหลายก็เหมือนกันน่า ย, ยินดีแต่ก็พลาดไปเลยไปถึงบาปจนได้หรือกรารมทั้งหลายเหมือนกับคบเพลิงเคยเห็นคนถือคบเพลิงเดินทวนลมไหมเขาบอกว่าเราถือคบเพลิงเดินทวนลมเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าถือเทียนเวียนเทียนแล้วน้าตาเทียนมันหยดใส่บาะอันนั้นเล็กน้อยถ้าถือคบเพลิงใหญ่ๆแล้วนะแล้วเดินทวนลมเนี่ยมันปลิวมาตกใส่ตัวฉันได้ตั้งกต่มีมีอะไรม้างไม่ปลิวมาใส่ใจม้างไม่ให้เดือดร้อนเลยนะเคยมีไม้พิษตายะมีรถม้าสบายใจตลอดเลยมีความสุขมากที่มีคันนี้ไม่เคยสร้างความเสียใจให้มาแต่นิดเดียวที่ไหนได้สเก็ตไฟตกมาใส่ทั่วไปหมดเลยนะจอดที่แดดร้อนเกินไปก็ส ตกมาใสา่ใจแล้วเป็นต้นคือสรุปว่าในพวกนี้ก็เหมือนกับคบเพลิงเป็นเหมือนกับลุมฐานเพลิงเร่าร้อนเพราะบางอย่างกว่าจะได้มาเนี่ยได้มาด้วยกายทุจริตได้มาด้วยวจีทุจริตได้มาด้วยมโนทุจริตถามว่าทุจริตให้ผลได้ไหมให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ผลเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะอย่างพระพิสูุ์บางรูปท่านบอกว่าท่านไม่ได้ต้องการปัจจัยสี่ของผู้ใดเลย ถามว่าทำไมเหตุผลอะไรท่านจึงไม่ต้องการเหตุผลก็บอกว่าปัจจัยสี่ตัวไหนได้ที่ได้มาจากสุจริตได้มาเป็นสุจริตจริงๆเลยหูเนี่ยผลผลของกายยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เกิดจากสุจริตจริงๆเป็นวัตถุที่ไม่เปื้อนบาปกลับมาเลยแม้แต่นิดเดียวมีบ้างไหมบอกหายาก เพราะฉันไม่รู้จะยินดีมาทําไมเพราะว่าเท่ากับยินดีในคราบเหงือ่อคราบเลือดและคราบน้ําตาของสัตว์ทั้งหลายเท่ากับยินดีผลแห่งความทุกข์ที่สัตว์กําลังจะได้รับต่อไปท่านเลยไม่ต้องการของผู้ใดเนี่ยนะของผู้ใดก็เป็นของผู้นั้นเถอะเขาหามาด้วยความเหนื่อยความยากความทุกข์ความลําบากก็ให้เขาเนี่ยจเจริญเจริญด้วยวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเถอะท่านเลยไม่ต้องการเพราะว่าเห็นว่าได้มีคราบเลือดคราบเหงื่อคราบน้ําตา จากสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ใช่ขนาดคราบตราบาปที่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นกว่าจะได้สิ่งเหล่านั้นมามีอะไรว่ไม่เปื้อนบาปกลับมาจริงอยู่บางคนมีบุญมากอาจจะไม่เปื้อนอกุศลกรรมบทแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าไม่เปื้อนราคะโทสะและโมหะในที่สุดก็เปื้อนทุจริตถึงไม่ล่วงตามมบทแต่ก็เป็นบาปเป็นอกุศลอันนั้นก็ยังว่าปัจจัยสีเนี่ย ก, ก็โดยมากมันก็ แปเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลเพราะฉะนั้นก็มันมีโทษเมื่อทุกอย่างมีโทษคนทำยังไงสังเกตดูหมอหลายคนก็บอกไม่จำเป็นเขาไม่อยากให้ใช้ยาบอกทำไมมันมีคุณก็จริงแต่แหมมันมีโทษมันมีโทษที่ติดตามจากจากยาทั้งหลายฉันใด น, นี้ก็ลักษณะเดียวกันจริงอยู่ถึงจะหน้าปรารถนาะน่าพอใจน่ายินดีแต่แต่สิ่งเหล่านั้นในที่สุดเป็นยังไงในที่สุดก็ก็บอกว่า กำไรจากวัตถุกรรมทั้งหมดคืออะไรผลกำไรของวัตถุกรรมทั้งหมดเลยคืออะไรก็คือโสกกะปริเทวะทุกโธมณตและอุปายาตเนี่ยนะผลผลของวัตถุกรรมทั้งหลายทุกชิ้นดูเถอะทุกชิ้นเนี่ยผ่านโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตมาแล้วนั่งยิ้มยิมกันเนี่ยผ่านโสกกระปริเทวทุกโทมณตมาตัวเองเนี่ยทุกมาเท่าไหร่แล้วและขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกคนอื่นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะ หมายความว่าที่มานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยทำให้คนอื่นเสียน้ําตาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะใช่ไหมอย่างคนที่เป็นลูกทําให้พ่อแม่เสียน้ําตาไปเท่าไหร่แล้วเป็นต้นแล้วคนที่อะไรนะคนที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยทำให้เพื่อนเสียน้ําตามาเท่าไหร่แล้วพูดอีกคำเดียวน้าตายฝ่ายหนึ่งซึมเลยเป็นต้นพั้งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมานัตและอุปาญาตมีวัสดุชิ้นไหนมั่งไม่เคยผ่านโสกปริเทวะทุกโทมนัตและ อุปายาตไม่มีทุกอย่างเป็นภาชนะรองรับโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตนั้นก็เลยบอกว่าเออมันมีโทษอย่างนี้เพราะนี่คัมมะบารมีนั้นจึงรู้จักโทษตามที่เป็นจริงนะรู้จักโทษตามที่เป็นจริงเขาบอกว่าโทสะกับโทสะเนี่ยเพ่งโทษที่ไม่จริงมันลักษณะหาเรื่องอะโทสะนั้นะมันลักษณะหาเรื่องแต่นี้มันมีโทษอย่างไรก็เหมือนกับว่าเรียกว่า ตามเนื้อผ้าระหว่างั้นอ่านตามเนื้อผ้า น, นะเช่นะมีผ้าอยู่พื้นหนึ่งแหมติดคราบเลือดคราบน้ำตาคราบเหงื่อคราบสารพัดคราบนี่ก็เรียกว่าอ่านไปตามคราบที่มันมีอยู่ลักษณะนั้นแหละเนคขมมะบา ร, รมีนะี่จะบอกโทษตามเป็นจริงอย่าลืมว่าพวกนี้มีปัญญาประกอบหมดนะบา ร, รมีทุกข้อมีปัญญาประกอบหมดแล้วก็หันหลังให้หันหลังจากโทษนั้นเป็นปัจจุ ป, ประฐานเนี่ย น, นะเห็นหันหลังออกจากโทษเหล่านั้น ก็อย่างที่อย่างว่าสมมุติถ้าเราไปที่สนามบินว่าโอ้ไปไม่ทันสนามบินเนี่ยไปไม่ทันเครื่องนี่เสียใจไหมแหมทุระสาคัญมากจะต้องรีบไปให้ทันเนี่ยนะเสียใจไม่ไปไม่ทันเสียใจมากแต่พอแม้เครื่องนั้นขึ้นไปแล้วระเบิดตายหมดเครื่องเลยนะดีใจหรือเสียใจอ้าวทาไมดีใจอ่ะเขาลาเดียวกันเลยอีกพักหนึ่งโอ้ยดีใจมากานะเขามีโยมเรื่องนี้เรื่องจริงมีโยมก็ไปเที่ยวต่างประเทศ แทบจะได้กลับไอคันที่มาระเบิดตายทั้งลําอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้มาบอกโอ้หลังจากนั้นเข็ดนะไม่ไปไหนอีกแล้วเขาบอกันนะเพราะลําลนั้นอนะ่ะตายทั้งลําเลยนะตกทะเลตายเกลี้ยงเลยเขาบอกนโอ้ดีที่เรารอดมาได้เขาบอกกันนั่นก็เลยกลายเป็นอะไรดีใจไปเลยใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่ออกจากกรามทั้งหลายเนี่ยนะตอนแรกก็จะทุกอย่างมันก็น่า ย, ยินดีแต่ว่าถ้าไม่ออกอะไรจะเกิดขึ้นพราะรู้ว่าลักษณะอะไรนะไประเบิดไปไ ป, ไปพลีชีพ พลีสุขคติหมดเลยเหลือแต่อบายเนี่ยนะพลีชีวิตที่เป็นสุขคติหมดไปจมอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนารกเนี่ยนะนะถ้าเราเห็นพวกมนุษย์ทั้งหลายที่ที่เรียกษณะระเบิดตัวตายเราก็บอกว่าปกติพวกเดรฉ า, านที่ตายแบบเละเ ล, ะ เ, ล, ะ เ, ละเนี่ยเยอะมากเนี่ยนะเพราะผลของอะไรก็เพราะผลของกรรมที่ตัวเองกระทำเอาไว้แล้วนั่นแหละเพราะผู้ที่มีเนฆามะมีกุศลเนฆามะจึงหันหลัง ออกจากโทษเหล่านั้นก็คือรู้ว่าที่สุดของสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะจริงอยู่น่าชื่นชมในตอนต้นแต่ก็เห็นความเดือดร้อนในบ้างปลายถ้าเปรียบแบบแบบโบราณหน่อยก็อบอกว่าเหมือนกับหนุ่มชาวกรุงที่ไปหลอกสาวบ้านนอกเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นหญิงที่รู้จริงว่าคนนี้จะพาไปค้าประเวณีต่างประเทศเนี่ยถึงจะมาโปรอยอะไรให้ถามว่าน่าสนใจไหมทําไมอะ่ะ ก็รู้แล้วว่าอนาคตตัวเองต่อไปนี่ควรจะเป็นอะไรใช่ไหมรู้อนาคตของตัวเองว่าเป็นอย่างไรคนที่มองเห็นวัตถุกรรมทั้งหลายผู้ที่มีปัญญามองตลอดสายก็ฉันนั้นว่าที่สุดของสิ่งเหล่านั้นมันจบลงที่ไหนเมื่อรู้ที่สุดแห่งเมื่อมันจบลงที่ไหนมันมีทางเลือกที่ดีกว่าไหมบอกมีเมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่าทาไมเราจะต้องไปสมมติไปรู้ว่าถ้าไปทานอะไรแล้วมันจะท้องเสียเป็นต้นเนี่ยนะ ท้องเสียแล้วรออีกนิดเดียวมันจะมีอาหารดีๆเขารอได้ไหมบอกรอได้เนี่ยนะเขาออกไหมจากสิ่งที่มีโทษบอกออกได้สรุปว่าเหตุผลตอนสุดท้ายบอกว่ามีความสังเวชเป็นเหตุใกล้นะสังเวชใจเนี่ยนะเพราะสังเวชสังเวชใจในว่าวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะในที่สุดก็นำมาซึ่งโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาตะนั้นะความสังเวชนี่เป็นเหตุใกล้ให้เจริญ เนคข ม, มะเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าไอความสังเวชเนี่ยมองเหมือนกับเรือที่จะไปจมลงกลางทะเลเนี่ยนะบอกเขาเรียกว่าถ้าเรากําลังอยู่บนในเรือที่กําลังจะไปจมกลางทะเลเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยเราจะรีบออกจากตรงนั้นไหมรีบไปรอให้ถึงรอวันจมไหมบอกไม่ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเขารู้ที่สุดของแต่ละสิ่งนั้นเขาจึงหาทางออกเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์หาทางออกก็เพราะว่า ถ้าไม่ออกแล้วมันจะเดือดร้อนเนี่ยนะส่วนต่อไปลักษณะลักษณะที่จตุกะของปัญญาปัญญานั้นมีการรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะธรรมเป็นลักษณะเนี่ยนะรู้จักสภาวะธรรมที่เป็น กุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะทำแล้วมีโทษไหมหรือทําแล้วไม่มีโทษใครว่ารู้แจ้งแทงตลอดสภาวะแห่งกุศลและอกุศลผลขอ ง, ของอกุศลเป็นอย่างไรผลของอกุศล เ, เป็นอย่างไรอะไรควรเจริญเจริญแล้วจบลงที่ไหนถ้าไม่เจริญแล้วเสียหายเป็นอย่างไรเป็นต้นอันนั้นแหละลักษณะของปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดสภาวะธรรมทั้งที่เป็นสังคตะธรรมแล้วก็สามารถประมวลว่า สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสังคตะนั้นคืออะไรเนี่ยนะหรืออีกลักษณะหนึ่งก็มีการรู้แจ้งแทงตลอดอย่างไม่พลาดดุจการซัดหรือธนูนะเรียกว่าเหมือนการยิงธนูหรือยิงด้วยลูกศรของคนฉลาดบอกว่ายิงไม่ยิงไม่ผิดฉันใดผู้ที่มีปัญญาจริงก็บอกว่ารู้ไม่รู้อย่างตรงรู้อย่างถูกประเด็นไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อน อันนะั้ไม่ใช่รู้พลาดเนี่ยนะอันนั้นหมายความว่าผู้มีปัญญาปัญญาก็รู้แจ้งรู้แบบไม่ผิดพลาดเลยรู้ตามเป็นจริงอันนะอริยศสตรเนี่ยเป็นจริงมันเป็นยังไงทุกปีละนะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะสมุทยัยอายุหันะเป็นต้นสามารถที่จะพิจารณาเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์เหล่านั้นได้ตามเป็นจริงและเป็นการรู้ที่ไม่พลาดรู้แล้วก็บอกว่ารู้รู้รู้พลาดไม่รู้ยังไงรู้ แต่ว่ารู้แล้วพลาดรู้แล้วเดือดร้อนความรู้ใดที่รู้แล้วเสียใจในภายหลังความรู้อันนั้นเรียกว่าความไม่รู้เรียกว่าเป็นรู้แล้วพลาดแต่ปัญญาไม่ได้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วกลับไม่เดือดร้อนในภายหลังเสียใจตรงที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นความรู้ที่มีอุปการะมากมีคุณมากส่วนกิจของปัญญาก็คือมีแสงสว่างตามวิสัยเป็นรัะดุดประทีปประทีปที่ แสงไฟที่มาตรฐานส่องให้เห็นภาพตามเป็นจริงชันใดปัญญาที่เกิดขึ้นก็เหมือนการสา ม, มารถที่จะส่องให้เห็นตามเป็นจริงมองเห็นทางเสมอมองเห็นทางไม่เสมอมองเห็นทางราบเรียบทางตรงทางครุขระเป็นต้นชันใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนการมองเห็นเลยวันนี้ทางนรกนี้ทางเปรตทางอสุรกายทางเดรฉานทางมนุษย์ทางเทวดานี้ทางแห่งพรหมโลกนี้ทางแห่งพระนิพพานเปตัวนั้นปัญญาเนี่ยเหมือนกับ แค่ว่ายืนอยู่ในที่แจ้งยืนอยู่ในที่สว่างมองเห็นทุกอย่างได้ฉ น, นั้นต่อไปบอกว่ามีความไม่หลงเป็นอาการปรากฏเหมือนคนนำทางไปในป่าคือไม่หลงหมายาว่าไม่หลงไม่หลงทิศนะคนที่หลงป่าเนี่ยนะจริงๆเนะี่ยมันจะไพล่ไปทิศเหนือมันไพล่ไปดอกทิศ ต, ตะวันตกก็มีพระกลุ่มหนึ่งนะไปหลงทางอยู่3ามสี่รูปในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง อีกคนหนึ่งเนี่ยนะหลงอยู่ปา่าเขาใหญ่นี่แหละอีกคนหนึ่งนั่นไปออกทางโคราชอีกคนหนึ่งไปออกทางประจินเนี่ยนะอีกคนหนึ่งก็คือออกไปคนละทิศคนละทางเลยนะขาความหลงทางอะนะไม่อดข้าวตายกลางป่าก็ดีแล้วเหมือนกันแต่ถ้าอันนั้นคือความหลงรล้กว่าหลงทางนะหลงทางบอกว่าเสียเวลาเสียเวลาเฉย ๆ, ๆมันเลยดีเสียชีวิตด้วยที่บางทีอะนะบางทีก็เสียเสียตลอดฉันใดผู้ที่ไม่มีปัญญาก็หลงฉันนั้นปัญญาก็คือความไม่ ไม่หลงเอาถามว่าหลงเนี่ยหลงเนี่ยรู้ได้ยังไงเรารู้ได้ไหมว่าถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วเราหลงในเรื่องอะไรบ้างก็หลงดูจากว่าเราเชื่อว่าให้ทานมีผลไหมรักษาศีลเป็นต้นมีผลไหมเอามิจฉาทิฏฐิเอาส ก, กายะทิฏฐิ20่สบเอาอันตะคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุ10บเอาทิฏฐิ62เป็นต้นมาวัดดูถ้าเป็นไปนตามรัฐที่62ิเป็นต้นเหล่านั้นก็รู้ว่านั่นเป็น มิชาทีฏฐิแน่นอนถ้าตรงกันข้ามไม่เป็นไปตามนั้นแต่เป็นหนทางเพื่อมรักผลนิพานไม่เผลอแยกแยะอะไรเป็นสาระมิใช่สาระถ้าแยกแยะได้ขนาดนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามันนั่นเป็นอาการที่ปรากฏของปัญญาทําให้ไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่เลอะเธอไม่สับสนเนี่ยนะไม่สับสนแต่จริงๆสังสารวัฏนี่มันก็มีความซับซ้อนเหมือนอยู่ในป่าเนี่ยมันจะดูเหมือนเหมือนกันไม่หมดเลยนะไอผิดกระถูกเนี่ยมันจะดูคลับคล้ายคลับคลาไปหมด เขาบอกว่ามีต้นไม้บางอย่างเนี่ยนะมะม่วงกับต้นไม้มีพิษมันจะดูใกล้ๆกันมะม่วงแท้กับมะม่วงปลอมเนี่ยทำไมเพราะมะม่วงปลอมคือต้นไม้มีพิษเนี่ยกินแล้วตายเหมือนกันก็ ม, มีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งใกล้หมู่บ้านมากต้นข้างบนเนี่ยดกเต็มที่หมดลูกเหมือนมะม่วงทุกอย่างข้างล่างก็หล่นเกลือกล่อนกลนไปหมดคนสองคนก็เดินทางไปไปถึงบอกว่าจะรีบกินอนะนี้มันมะม่วงบอกอย่าเพิ่งเพื่อนอย่าเพิ่งกิน เอาทำไมห้ามทำไมนี่มันมะม่วงชัดๆดูสิกิ่งใบเป็นต้นลูกเหมือนมะม่วงบอกเพื่อนธรรมดามะม่วงถ้าเป็นมะม่วงแท้เนี่ยนะตรงนี้มันอยู่ใกล้หมู่บ้านคนไปมาหาสู่ก็สะดวกทำไมมันหล่นเกลื่อนและทำไมบน บ, บนต้นยังมีผลดกเต็มไปหมดอ่ะก็แสดงว่าต้นไม้นี้มีพิษเนี่ยนะ มันคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาส่องสอง่สองเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรหมก็ว่าไม่เจอไม่ถูกหลุมพรางเห็นแค่ความเหมือนเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่ไม่เผลอไม่เลอะเนี่ยนะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะคนที่เผลหรือลุ่มหลงเนี่ยนะด้วยอนานาจของโลภะบางอย่างก็ทําให้ลุ่มหลงมัวแต่คิดในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะ หรือปัญญาอีกในหนึ่งก็บอกมีสมาธิเป็นเหตุใกล้อย่างคนที่เรียนมามากเลยนะเอาเนี่ยนะสุตามา ย, ายานเต็มเปี่ยมดีแล้วเนี่ยนะเรียนเข้าใจอะไรหมดแต่ทําไมเข้าปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรทําไมเขาไม่เจริญไม่เจริญเพราะอะไรเพราะเขาฟุ้งซ่านเกินไปจริงๆความรู้เขาดีอยู่แล้วละ่ะข้อมูลเขาพร้อมอนนะเช่นสุตตมา ย, ายานสิบหหัวข้อเข้าใจอะไรทะลุโปร่ปรปรงเข้าใจอย่างดีหมดเข้าใจทุกข้อหมดแต่เขาฟุ้งซ่านเกินไป น, นะนะฟุงพันสมาธิจึงเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเรียนมามากมายเนี่ยนะทำไ ม, ไมเห็นปฏิบัติได้ไเหม็นใช้ได้บอกคนนั้นอนะ่ะฟุ้งซ่านเกินไปจริงอยู่เขาอาจจะมีความรู้เยอะฟังมามากแต่เขาฟุ้งซ่านเกินกว่าที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้เนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าปัญญานี่มีอริยศาสตร์เป็นเหตุใกล้เนี่ยนะเหตุใกลนะ้ก็บอกว่าสมาธิหรืออริยศาสตร์เป็นเหตุใกล้แห่งปัญญา ถ้าเราไม่สนใจอริยสัจเลยก็แสดงว่าไม่สนใจปัญญาเลยเนี่ยนะบางคนไม่ไม่ชอบฟังอริยสัจนะไม่ชอบฟังพ่อมบอกว่าอะไรรู้ความจริงเกินไปเนี่ยนะชีวิตที่รู้ความจริงมากไปไม่ดีถูกหลอกบั่งดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะไม่เชื่อบอกพูดอริยสัจบ่อยๆไม่ชอบโอ้นี่แก่ไปเยอะแล้วนะเกือบแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะเนีชาติชรามรณะเดียวยิ้มเถอะเดี๋ยวก็โศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตชอบฟังหรือเปล่า อย่านัเดี๋ยวหัวเาแห่ๆเดี๋ยวก็โศกกะปริเทวะเลิกนะเนาะพื้นฐานจริงๆอะดูว่าชอบฟังแค่ไหนเป็นต้นนะนะเนี่ยิ้มๆเดี๋ยวก็โสกกะปริเทวะเดี๋ยวก็ตายเลิกไงนะไปไหนบอกไปตายเป็นต้นนะนะก็แม้แต่มันก็จริงอะนะแต่รับยากมันก็เลยไม่เห็นอริยสัจสักทีเพราะไม่ค่อยพร้อมที่จะคิดอริยสัจสักเท่าไหร่นี่นะไม่ค่อยพร้อมที่จะรับความจริงสักเท่าไหร่นี่นะก็ก็ดูพื้นฐานอะอริยสัจนี่มันก็คือมันไม่วิปลาสนะนะ ก็ยอมรับสภาพที่เป็นจริงแต่ถามว่าอริยศาสตร์เนี่ยบอกยอมรับสภาพที่เป็นจริงก็เลยจำนนกับความจริงใช่ไหมใช่ไหมเอาเอาเมื่อมันจริงก็ต้องไปทําอะไรมันเอาเมื่อมันจริงอะความเกิดก็ทุกข์กวจริงแก่ทุกข์กว่าจริงตายทุกข์กว่าจริงโสกกาปริภัณฑ์ทนเถอะมันก็เป็นความจริงมันเป็นธรรมชาติที่มันจริงแบบนี้ทนทนกันเถอะ พระพุทธเจ้าสอนอริยศาสตร์ไว้สข้อไม่ได้สอนแว้ข้อเดียวเนี่ยนะสอนทุกขเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกวันนี้ทุกขับนี้ความนี้ความดับทุกขถ้าเธอปฏิบัติตามนี้แล้วเธอจะพ้นทุกไม่ได้สอนว่าเออนี้ทุกก็เลยทนทุกถ้าทนทุกอันนี้น่าจะมีอะไรนอกจากความโง่เขลาเนี่ยนะไม่ใช่ปัญญาหรอกถ้าปัญญาจริงๆรู้จักทุกแล้วก็รู้ว่าความดับทุกขเป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะ พ้นทุกเนี่ยนะนั่นนะ่นนนะเรียกว่ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะไอ้ที่ยังไม่ทุกก็คิดยังไงจะได้ทุกไอ้ที่ทุกอยู่แล้วจะเพิ่มทุกได้ยังไงเนี่ยนะนั่นแหละไม่ใช่อาการของปัญญาเนี่ยนะและสังเกตดูนะถ้าเราไม่สบายใจนะคิดให้ไม่สบายใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเก่งมากเลยนะแต่คิดให้สบายใจไม่ได้เดี๋ยวว่าขาดความรับผิดชอบนั่นนะเออเก่งนะเก่งจนต้องสรุปว่าไม่สบายใจมันดีที่สุดงั้นเถอะ แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่า ง, งานั้นหรอกเนี่ยนะเพราะถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยนะก็เป็นยังไงทําให้สุขภาพจิตดีเสียก่อนเมื่อสุขภาพจิตดีเสียก่อนแล้วค่อยๆกล่าวว่า ค, ค, ค่อยเอาเรื่องซับซ้อนมาพิจารณาในต่อไปวิริยะมีความอุตสาหะเป็นลักษณะเนี่ยนะอย่างสมมติว่าพูดถึงทานศีลเนคขมะปัญญาทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีวิริยะแล้วกุศลธรรมเหล่านี้จะงอกเงยต่อไปไหม ไม่งอกเงยพรันวิริยะนี่แปลว่ากล้ากล้าที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้นะกล้ายืดอายุทานให้มันมากขึ้นยาวขึ้นกล้ายืดอายุให้ศีลดีขึ้นให้อายุของศีนี่ดีขึ้นอายุของสมถะอายุของวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะทานศีลภาวนาให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปกล้าที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นกล้าตัดอุปสรรคกล้าตัดสิ่งที่มันขัดขวางต่อการเจริญ ทานศีลภาวนาเป็นต้นเหล่านั้นออกไปได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นอุสาหะเรียกว่าอุสาหะก็คือกล้านั่นเองนะเนี่ภาคเพียรพยายามมีการอุปถรัรมเป็นรัศกาอุปถรัรมคืออะไรก็เหมือนกับเป็นฝ่ายสนับสนุนต่อไปต่อไปเรียกว่าเคยได้ยินนะว่าเราเนี่ยมีคนคอยให้กําลังใจอยู่เพราะงั้นคําว่าห้อยคอยให้กําลังใจก็คือคอยให้เพียรนะนะเป็นคนแนะนําให้ภาคเพียรนั้นวิริยะก็คือตัวที่ อุดหนุนกุศลให้กุศลเนี่ยเป็นไปได้อย่างยาวขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความเพียรนั้นสามารถยืดอายุการเจริญกุศลต่อไปต่อไปต่อไปเพราะั้นวิริยะนี่จึงเป็นกําลังเป็นวิริยะพละเป็นกําลังกําลังที่จะช่วยกองหนุนหนุนสติหนุนปัญญาหนุนสมถะหนุนวิปัสนาหนุนทานหนุนศีลหนุนภาวนาหนุนปัญญาหนุนกุศลธรรมคุณงามความดีเพราะฉะนั้นจึงมีการอุปถัมป์เป็น รักษาพันถ้าหากว่าทานอกุศลถ้าขาดวิริยะอุปธรรมไม่เอาละรักษาศีลถ้าขาดวิริยะอุปธรรมก็เลิกละเจริญสมถาวิวปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าขาดความเพียรเป็นตัวอุปธรรมแล้วก็จบเลยจเจริญได้ไม่ยาวจเจริญได้ไม่นานแล้วก็ไม่ทนมีการไม่จมลงเป็นอาการปรากฏพวกที่ขาดความเพียรเนี่ยจมอยู่กับอกุศลพวกจมในที่นี้แปลว่า จำนวนต่ออากุศลผู้ใดที่จำนวนต่ออากุศลจำนวนต่อกองทุกพวกบุคคลเหล่านี้เรียกว่าไม่มีความเพียรส่วนผู้ที่มีความเพียร น, นั้นจึงมีการไม่จมเป็นปัจจุปฐานคืออาการปรากฏเนี่ยนะไม่จมนะไม่จมก็แปลว่าลอยขึ้นเนี่ยนะลอยจากอากุศลเนี่ยนะกุศลเนี่ยเพิ่มขึ้นอากุศลลดลงเนี่ยนะก็คือมีแต่ลอยขึ้นมีวัตถุปรารบความเพียรหรือวิิยารัมภะวัตถุแปรเป็น เหตุใกล้มีวิริยารำภาวัตุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้เช่นว่าเนี่ยตอนนี้เราไม่ป่วยถ้าเราป่วยแล้วเราจะเจริญกุศลต่อได้ไหมนะเนี่นะเราแก่ขนาดนี้ยังขนาดนี้เลยถ้าไม่รีบเจริญตอนนี้แหละจะตอนไหนเนี่ยน ะ, ะสมมติอย่างคนที่จะปรารบที่จะให้ทานถ้าเราไม่ให้ตอนนี้ถ้าสมมติเข้าของมันเสียหายไปเราจะมีโอกาสได้ให้ไหม ไม่มีโอกาสให้แล้วถ้าเรารักษาศีลถ้าเราไม่รีบรักษาวันนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายไปแล้วเราจะได้รักษาศีลจะมีเวลารักษาศีลไหมก็ไม่มีปัญญาเนี่ยอริยสัจถ้าไม่เห็นชาตินี้แล้วชาติไหนกว่าจะได้เห็นรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าหรือมีบุญรอได้ไหมล่ะมีบุญพอที่จะรอไหมอย่างเงี้ยนะทีนี้รอเหมือนกันแต่ว่าแหมมันรอในฐานะอะไรเนี่ยนะ คิดว่าจะได้ฟังธรรมหรือถ้าถึงอะนะสมัยนั้นอะมีอย่างพระพุทธเจ้าองค์ตัศโรมาตั้ง28พระองค์แล้วเนี่ยนะจะตั้งพระพุทธเจ้าที่ปังกรมา28เอ่อเอ่อพระตันถางกรเนี่ยยี่สพระองค์มาจนถึงบัดนี้แล้วนะเราก็ายังคงทนอยู่ตามเดิมของเราก็เห็นไม่ไหนเลยพันแสดงว่าไม่ได้มีปลารบวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเนี่ยนะก็ควรที่จะสังเวชหลายๆเรื่องเนี่ยไอ้คำว่าสังเวชเนี่ยต้องให้ตัวเองเป็นแบบนั้นก่อนแล้วค่อยสังเวชไหม ค่อยๆสลดใจไหมอย่างไงไม่ต้องเนี่ยะก็ภายนอกก็น่าจะเพียงพอแลว้วนะบางคนนี่บอกว่าเฮ้ยทําไมเป็นเองไม่กลัวรอกเหมือนกันนะบอเออตามใจกันแล้วกันถ้าเป็นเอก่อนแล้วค่อยเข้าใจก็ตามใจเนี่ยนะนะไม่คุยด้วยแล้วเหมือนกนที่อะไรนะบอกว่าต้องเห็นลงศพก่อนนั่นแหละว่าเฮ้ยเกือบตายก่อนนะแล้วค่อยสํานึกได้แต่ยังไงก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะอีกในหนึ่งก็าบอกว่าเหตุใกล้ของการปรารบความเพียงก็คือมีความสังเวชเป็นเหตุใกล้ นะว่าถ้าเราสังเวชสลดใจถ้าเราไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วเราจะเจริญกุศลได้อย่างไรนะเช่นไปโรงพยาบาลไปเห็นคนป่วยแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพนี้เราจะเจริญยังไงไปเห็นคนแก่เห็นนักโทษเห็นสารพัดเห็นเห็นคนที่กําลังงุ่นกําลังเดือดร้อนอยู่ถ้าเราไปตกอยู่ในสภาพเหล่านั้นเหล่านั้นเราจะเจริญได้หรือถ้าเราไม่รีบที่จะเจริญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้เพราะความสังเวชเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรส่วนคันตินี้ ตรงๆก็คือมีความอดมีความทนหมาทั้งอดทั้งทนเนี่ยนะอันนี้เป็นศัพท์ภาษาไทยนะอดกับทนอะไรเรียกว่าอดทนทั้งคอยอดทั้งคอยท น, นจริงๆไม่ไม่น่าลักษณะภาษาธรรมะหมายถึงว่าอธิวาสนาเนี่ยนะวาสะเขาบอกเป็นการอยู่อย่างยิ่งหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนกล้ามากนะคนที่มีความขันติจริงๆอะ่ะคือเป็นคนที่มีความกล้าสูงมาก เรียกว่าหรือมีความกลั้นเนี่ยนะกลั้นได้สูงมากมีความอดกลั้นต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นรัศกคำว่าอดทนในที่นี้หมายว่าอดกลั้นหมายว่าปกติเนี่ยคนที่ขาดความอดทนเนี่ยพอเจอปฏิฆานิมิตก็เลิกเจริญกุศลพอเจอสุภานิมิตก็เลิกเจริญกุศลอันนี้ไม่มีอะไรที่มาขัดขวางในการเจริญกุศลได้เนี่ยอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนที่มีความ อทนเออมีขันติเพราะนั้นคนมีขันติจริงๆก็คือไม่มีสภาพใดที่จะมาขวางการเจริญกุศลไม่มีอารมณ์ใดที่จะสร้างความมัวเมาให้เลิกเจริญกุศลได้ลองตั้งคําถามดูนะบ า, บางคนบอกว่ า, วามีอะไรบ้างที่ขวางในการเจริญกุศลของเรามีบ้างไหมอยอมรับสภาพที่เป็นจริงเลยนะเพราะอะไรบั่งที่มันทำให้เราได้เจริญกุศลบ้างอะนะแม้กระทั่งถือว่าน้อยมากนะพราฉันจะต้องแบบสร้าง ภูมิของตัวเองให้มันมั่นคงถึงขนาดว่าตั้งคําถามว่าในโลกนี่มีอะไรมั่งที่ทําห้ามเราไม่ให้เจริญกุศลได้เนี่ยลองคน้นคนดูเถอะถ้าบอกหาไม่เจอเลยไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทํากุศลไม่ได้ไม่มีข้อแม้ที่ว่าทํากุศลไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็อนุมโมทนาด้วยแต่ข้อแม้เต็มไปหมดเลยไล่ไปหมดอเหตุผลที่จะเจริญกุศลได้หนึ่งเหตุผลที่จะเจริญกุศลได้สองที่เหลือ เหตุผลต้องไปเป็นอกุศลหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็อะไรจะน่าสงสารปานนั้นนะ่ะนะน่ากรุณามากเลยนะมีมีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลพ ม, มาก็เห็นบาว่าบางคนชวนทำกุศลเนี่ยยากยากพ ม, มาบอกเออเขามีเหตุผลจนบ้างวะมีเหตุผลสมหรับเห็นเราเห็นบ้านเขาถูกไฟไหมใช่ไหมออกเถอดรีบออกถ้าไม่ออกเผาบ้านถูกเผาตายเนี่ย เาบอว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ทรัพย์ของเขาอันนั่นก็ยังติดอันนี้ก็ยังห่วงเขาไม่ออกหรอกว่างั้นก็แสดงว่ามีเหตุผลจะต้องเฝ้าบ้านที่ถูกไฟไหม้ตายคากองฟืนนั่นแหละหรือบางทีก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีเหตุผลล้มตัวเองให้เจริญกุศลไม่ได้อธิบายได้เลยว่าเขาไม่เจริญกุศลด้วยเหตุ1นึ่งสองหรถติดน้ําท่วมไฟไหม้ยุงกัดแมลงกวนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะบางคนบอกทําไมไปฟังทำแมลงมันกวนเขาบางนันแค่นี้เหตุผลก็ สรุปว่ามีเหตุผลจนจนถ้าเป็นอากุศลได้หมดได้เสมอแต่ถ้าเป็นกุศลไม่ได้อธิบายได้ทุกเรื่องไปหมดเลยมาก็เลยว่าโอ้ยถ้าบอกว่าถ้าใครอธิบายมากนะขอให้มันได้ห่างห่างกันหน่อยดีคนที่ไม่ได้เจริญกุศลและอธิบายมากนะเบอกว่าทำไมไม่มาเจริญกุศลและข้อแก้ตัวนี้ของมาขี้เกียจฟังที่สุดทำไมไม่เจริญกุศลบอกไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นหบอกขี้เกียจฟังที่สุดเลยรปานั้น บางคนนะโอ้ขยันจารในที่เขาไม่ได้เจริญกุศลเพรหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันไม่ได้เห็นใจอะไรขึ้นหรอกมาทั้งพูดหรอกหน้ารำคาญจะตายว่างั้นนี่นะไม่มีเหตุผลว่างั้นที่ตายแล้วก็ไม่เห็นมีเหตุผลอธิบายเลยสักข้อหนึ่งนะที่กุศลนะอธิบายยาวเลยนะนที่เพียรกับมัจจุราชไม่เห็นมีอะไรอธิบายได้สักข้อเลยท่านก็สรุปว่าคนที่มีความอดทนนั้นจะไม่มีอะไรที่ขวางในการ จเจริญกุศลในการรักษากุศลแต่ทีนี้ถามว่าอา้าตอนนี้เรายังทําไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ถาวรเลยหรือจะคิดว่าจะอดเป็นคนที่อะไรนะไม่ให้กุศลมันเกิดถาวรเลยหรือจริงอยู่วันนี้ยังจเจริญกุศลในสภาพเหล่านั้นไม่ได้แต่ก็ต้องมีอัธยาศัยที่จะต้องพอกพูนพัฒนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือว่าจำนนเสร็จแล้วในความเป็นปุตุชนของเราบางคนก็บอกก็ oh, เรามันปุตุชนเหมนกันเอออนุรักษ์ต่อไปเออ เนี่ยนะสาธุโดยบุญกุศลที่ได้ทํามาก็ให้ห่างๆกันไม่หน่อยดีก<ม>ลัวติดเชือมาด้วยว่าคิดแบบนั้นเมื่ อ, อไหร่กับเขาล่มจมเลยนะพี่นาบแน่เอาทํำไมทําบุญทำอะไรเอา<ม>ก็ทําบาปกันนั่นน่ะแล้วไม่สงสารตัวเองหรือไง ถ, ถ, ถ้าต่าบมันจะให้ผลเป็นทุกข์เลยนะหรือบอกว่าทําใจได้เสมอเพื่ออะไรเพื่ออะไรสั้ว่าอุ้ยทนได้ทนทุกข์ได้เสมอเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อใครทําไม อธิบายไม่ได้ซักอย่างแล้วบอกว่าทนท น, ทนบอกว่าออตามใจกันแล้วกันทนหรืองโง่กันแน่ดูท่าจะโง่มากกว่าวหรือขันติเนี่ยนะมีความไม่โกรธเป็นอาการที่ปรากฏส่วน เ, เหตุใกล้เหตุใกล้ของขันติก็คือมีความเห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุใกล้คือเนื่องจากเขารู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเขาจึงอดทนได้ อย่างสมมุติว่าเราเดินทางไกลๆเนี่ยนะไปเจอทางขรุขระที่มันต้องเบี่ยงบ้างแล้วมันขรุขระบ้างเนี่ยนะถามว่าเลิกเลยเลิกเดินทางเลยใช่ไหมไม่ <S <S เขาเขาเห็นมันจะมีอุปสรรคบ้างจะมีปัญห า, ามั่งจะมีเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอยู่ในโลกเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าท้องฟ้าโล่งเ<ๆ>ดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้มันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆฉั้นคนที่เห็นตามความเป็นจริงนี่จะอดทนได้เสมอเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่เขาทนไม่ได้เนี่ยนะ คำวาทนได้บางคนเนี่ยทนทุกเรื่องอย่างโยงก็เราอท่านไม่รู้หรอกท่านบวชท่านไม่รู้ว่าอดทนมันเป็นยังไงปราณนั้นใครเลือกเดินทางครุขราเองแล้วมาบน่นช่วยไม่ได้ประมั้นั้นนะบอกอะไรนะเลือกเดินทางพลาดเองแล้วบอกว่าเขาเนี่ยอดทนสูงมากประางนั้นคอวมาก็ไม่เห็นว่ากับทนอย่างนั้นแล้วมันได้กําไรตรงไหนไม่เห็นมันมีกําไรอะไรสักอย่างกําไรอริยะนะกำไรเขากาไรกุศลธรรมเนี่ยไม่เห็นเลยมีแต่กัดฟันกรอกกรอดบอกเขาทนทน นะยอมให้เขาบน่นให้เขาด่าให้เขาว่าท้อท น, ทนบอกนี่เขาอดทนขนาดนี้เลยมเออทนต่อไปก็แล้วกันตามใจคือจริงๆไอ้คำว่าอดทนในที่นี้หมายความว่าเจริญกุศลได้โดยที่ไม่ไม่เห็นว่าอะไรเป็นปัญหาและอะไรเป็นอุปสรรคแต่บางคนที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าเขาทนกับอกุศลอยู่ได้ทนอกุศลต่อไปได้ตลอดไปแล้วก็ทนได้ยาวทนได้อย่าง ต่อเนื่องและเขาบอกว่าเขามีความอดทนก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะเขามาว่าทนหรือโง่ ก, กันแน่เนี่ยนะขันตินั้นจึงมีการเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ะนะเวลาเจริญกุศลจะมีอุปสรรคขัดขวางบางทีเนี่ยสิ่งที่น่าปรารถนาก็ขวางการทำกุศลเนนะบางทีเช่นว่าดีดีจนไม่รู้จะเจริญกุศลไปทำไม ไม่รู้จะภาคเพียนพยายามไปทำไมทุกอย่างก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดแล้วเมื่อตัวเองได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดแล้วทุกอย่างทำบุญไปทำไม